มงคลชีวิตมงคลที่สาจิตกเกษมเขมังเอตามังคล ม, มุตตะมังความที่จิตไม่มีภัย ไรอุปัตถวะอันเกิดจากการละกิเลสสิ้นเชิงแล้วชื่อว่าจิตเกษมหรือเขมังความมีจิตสะดุ้งกลัวชื่อว่าภัยอาการที่จิตไม่เป็นสมาธิชื่อว่าอุปัตถวะอาการที่จิตติดขัดคือคล้องอยู่ในอารมณ์นั้นๆชื่อว่าอุปสัง